เป็นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริการาบแล้วก็มี3ไข่ด้วยเป็นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริกแล้วก็มีสมไข่ด้วยเป็นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริกคราแล้วก็มีสไข่ด้วยเป็นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริกคราแล้วก็มี3ไข่ด้วยเป็นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำพริการาบแล้วก็มีสามไข่ด้วย